50 languages. การไปทาธุระ Fe compras. ดิฉันอยากไปห้องสมุด Voy a la biblioteca. ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ บูยาน่าละหีบเรียที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์นาลกิอที่ฉันอยากยืมหนังสือบมันยาบ้ที่ฉันอยากซื้อหนังสือบูที่ฉันอยากซื้อหนังสือพิม Um un di ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือดิฉันอยา l ไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ บูยานา d i a r ้ดิฉันอยาไปร้านวันตาบูยานากาล็อปติกดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ u l l นาซูเปอร r มาร์ a กดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังบูยานาฟอร์นดา a า l 拉ก ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Buy compras para lentes ดิฉันอยากซื้อผ ล, ลไม้และผัก Buy compras frutas y verduras ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Buy compras pastas y p pa. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา บู anar l นาคาลออปติ p ์เพื่อซื้อ l ลไ u l แล r e ักบฉันาซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อผลไม้และผักดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง a l a f l e c a p e r comprar p a s t น s i pa